เดี๋ยวนี้ในหมู่หนุ่มสาววัยรุ่นก็มีวลีหนึ่งที่ติดปากไนะเรียกว่ากลายเป็นคาถาเลยก็คือ no สน no แคร์ no สนก็ no คือไม่สนใจ no แคร์คือไม่แคร์ใครหมายความว่าคนที่รู้จักคนรอบตัวลวนทั้งเพื่อน เขาจะมีความทุกข์ความร้อนอยังไงฉันก็ไม่สนใจใครเขาจะมาเล่าระบายความทุกอะไรให้ฉันฉันก็ไม่อยากฟังให้ไปเที่ยวด้วยการไปนะแต่ว่าจะให้มารับรูนะ้ปัญหาความทุกของใครนี่ฉันไม่สนนะจะเป็นยังไงฉันก็ไม่แคร์ อันนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเหงานะี่มีส่วนในการทําให้เกิดความรู้สึกเหงาในหมู่วัยรุ่นคือไม่ได้มีเพื่อนอย่างแท้จริงมีแต่พวกอาจจะมีเพื่อนกินนะแต่ว่าจะเพื่อนที่จะมารับรู้รับฟังปัญหาหรือว่าพูดคุยเรื่องในใจนี่หาแทบไม่ได้เลยในความหมายหนึ่งของโนสนโนแคนคือว่า ใครเขาจะมองฉันยังไงใครเขาจะพูดถึงฉันยังไงฉันก็ไม่สนฉันก็จะทำของฉันอย่างนี้แหละอะไรที่ฉันพอใจฉันก็ทำส่วนคนหนึ่งเขาจะมองยังไงเขาจะพูดอะไรฉันไม่สนและเดี๋ยวนี้ถึงขั้นว่าใครเขาจะเดือดร้อนยังไงเพราะการกระทำของฉัน ฉันก็ไม่แคร์ขอให้ฉันอพอใจและมีความสุขที่ได้ทําบางครัง้งการกระทาของตัวเองเนี่ยทาให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่สนอาจจะเกิดความสะใจด้วยซ้าขอให้สะใจก็พอแล้วนะใครจะเดือดร้อนเพราะการกระทาของฉันยังไง ฉันไม่สนฉันไม่แคร์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีผลนะต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นแล้วเดี๋ยวนี้ก็รวมไปถึงผู้ใหญ่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ถึงขั้นไม่ไม่สนไม่แคร์ใครีจริงเนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยก็เพราะ ต้องการความสนใจต้องการความแคร์นะจากคนอื่นนะแต่ว่าพอไม่มีคนแคร์ไม่มคีคนสนก็เลยมีอการตอบโต้ในเมื่อไม่มีคนสนฉันไม่มีใครในโลกนี้แคร์ฉันฉันก็ไม่แคร์บ้างฉันก็ไม่สนบ้างใครจะทุกร้อนอยังไงฉันก็ไม่อยากฟังหรือ ถึงขันว่าเนี่ยอะไรที่ฉันทําแล้วคนอื่นือดร้อนฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าฉันมีความสุขที่ได้ทําแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องการแต่งตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของอการใช้ชีวิตนะพฤติกรรมต่างๆทจริงแล้วเนี่ยต้องการความสนใจต้องการความ ใส่ใจจากคนรอบข้างแต่พอไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับความใส่ใจห่วงใยก็เลยมีปฏิกิริยาตอบโต้นะก็คือกูก็ไม่สนใจนะคนอื่นเหมือนกันแต่จะว่าไปก็ก็แค์นะผู้ที่บอกว่าฉันไม่สนฉันไม่แคร์เนี่ยใครจะพูดยังไงฉันไม่แคร์เนี่ยจริงๆแคร์มากเลยนะเวลามีใครมาพูด ตำหนิทักท้วงจะโกรธมากเลยบางทีคาแนะนำทักท้วงธรรมดาก็โมโหโกรธามากเรียกว่าผิวอ่อนมากอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวกูมันใหญ่เนื่องจากสนใจแต่ความต้องการตัวเองเอาตัวเองเปศูนย์กลางของโลกไอความคิดแบบนี้มันทำให้ตัวกูหรืออัตตานีมัน ของโตใหญ่และดังนั้นจึงถูกกระทบง่ายฉันไม่สนฉันไม่แคร์ใครจะมองฉันยังไงฉันไม่แคร์แต่ว่าพอมีเสียงดินทาเข้าหูเนี่ยโกรธมากเลยบางทีตัวสั่นเลยเนี่ยอันนี้สนแสดงว่าแคร์มากเลยนะอันนี้แปลว่าสนนะแต่ว่าไม่แคร์ไม่สนเฉพาะเวลาตัวเองทำอะไรแล้วคนอื่นเดือดร้อนฉันไม่แคร์ แต่ถ้าใครมาพูดนินทาฉันต่อว่าฉันโอ้ฉันโกรธมากและจะว่าไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคนเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปแหละต้องการความสนใจต้องการความใส่ใจจากคนอื่นแต่พอไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับความใส่ใจก็เลยมีอาการประท้วงต่อต้าน ก้าวร้าวซึ่งก็ทำให้ถูกต่อต้านจากคนรอบข้างมากขึ้นก็กเท่ากับว่าทำให้เขาถูกผลักไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่ต้องการตอบโต้ต้องการแก้แค้นต้องการความสะใจที่จริงเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเขาได้รับความใส่ใจได้รับความห่วงใยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะอาจจะกลายเป็นคนละคนไปเลยก็ได้ วัยรุ่นเก่งเมื่อไรเ ก, กเรเนี่ยพอได้รับความใส่ใจและความห่วงใย จ, จากคนรอบข้างหรือบางทีอาจจะเป็นคนแปลกหน้านี่ไอ้ความคิดร้ายๆเนี่ยความคิดลบๆนี่มันหายไปเลยนะพอได้รับการเติมเต็มยังมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเด็กฝรั่งนะเด็กอเมริกันเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ติดยาติดเหล้าทะเลาะกันเต่มไม่ได้วยความรุนแรงในบ้าน ตัวเขาเองเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยไม่ได้ความใส่ใจจากพ่อแม่เลยพอพ่อแม่ก็อาตัวไม่รอดอยู่แล้วเสื้อผ้านี่ก็เหม็นไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่นีอาหารการกินก็ไม่ได้ครบท้วนเท่าไหร่การศึกษาของตัวเองก็ไม่ได้ความสนใจจากพ่อแม่เขบอกเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยต้องย้ายโรงเรียนเนี่ยสามถึงสี่สิครั้งนะ หมายความว่าอยู่โรงเรียนได้แค่2อสมอาทิตย์ก็ย้ายแล้วพาะพ่อแม่นี่เรียกว่าไม่มีหลักแหล่งตอนนั้นไม่พอนะยังถูกพ่อแม่เนี่ยทำร้ายนะความรุนแรงของพ่อแม่ที่ประดังประเดยใส่ตัวมันก็มาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่แล้วก็มาระบายใส่ลูกต่หลังเขาก็เลยกลายเป็นคนเด็กที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองพ่อไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจ สุดท้ายกลายเป็นเด็กเกเรนะเด็กเกเรการเรียนไม่สนใจจะเรียนดีได้ไงนะมันยา้ายโรงเรียนทุก2อาทิตย์นะี่แล้วพ่อแม่ก็ไม่สนใจเรื่องการศึกษาของลูกพอโตขึ้นไม่ใช่เกเรนะติดยาด้วยยิ่งมีคนรอบข้างเนี่ยมองว่าเนี่ยไอ้แกเป็นพวกที่เป็นขยะสังคม ไม่สนไม่อยากจะติดต่อคบค้าสมาคมด้วยท้านั้นไรพองมี้ก็ต่อว่าเขาสึกรายคุณค่ามากแถมเพื่อนๆก็แกล้งนะไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งสารพัดเอาอาหารมาเทใส่หัวหาว่าเขาตัวอ้วนถูกรุมทำร้ายไม่รับความใส่ใจก็เลยชีวิตก็เริ่มแย่ลงตกต่ำลงทั้งจิตใจและพฤติกรรม ต่หลังก็เริ่มคิดฆ่าตัวตายเอามีดกรีดแขนตัวเองมีคนพาไปส่งตำรวจตำรวจก็พาไปส่งบ้านแม่เห็นแม่ก็พูด่าเนี่ยถ้าแกอยากจะฆ่าตัวตายนะที่เรามาบอกฉันนะฉันจะหามีคงคมให้แกจะได้ตายเหมือนจะได้เหมือนจริงพอเจอแบบ น, นี้เข้าสติแตกเลยนะบอกชีวิตฉันไม่มีคุณค่าแล้ว ขนาดพ่อแม่ยังไม่เห็นคุณค่าของชั้นเลยพ่อแม่ไม่แม่ไม่แคร์ฉันพ่อไม่สนฉันโกรธทั้งโลกเลยนะและตอนนั้นเนี่ยคิดว่าชอยองไม่มีคุณค่าแล้วอยู่ไปก็ไลาบ่อยหรือร้าประโยชน์แต่ก่อนจะไปนี่ขอทำร้ายโลกทั้งหน่อยคว้าปืนมาจะไปยิงเด็กในโรงเรียนหรือไม่ก็ไปกราดยิงแถวห้างสรรพสินค้า จากการที่เดินไปโรงเรียนเป้าหมายเนี่ยนะเาก็มีเพื่อนบ้างคนหนึ่งเห็นก็เรียกเขาเรียกเขาเป็นยังไงมากินข้าวด้วยกันว่าบอกพอได้ยินแค่สองสามประโยคนี่นะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยนะรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีค่าฉันยังเป็นคนที่ได้รับความสนใจได้รับความรักแม้จากคนคนเดียวเนี่ย ความคิดที่จะไปยิงกราดยิงคนมันเปลี่ยนไมเลยนะก็เข้าไปในบ้านของผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็คุ ย, ยสนทนากันก็าบอกเป็นเครื่องอะไรเข้ า, ขาสอกว่าเขาเปนคนนะเพราะได้รับความสนใจและความห่วงใยไต่ถามทุกสุขและนับแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยที่จะทําตัวเป็นคนดีมากขึ้นเพราะรู้ว่ามีความเป็นคนอยู่ในตัวเขาจากการที่ได้รับความใส่ใจ เรืองนี้มนเชเลยนะคนที่เขาคนที่เก่งไมื่เรเกเรที่รู้สึกว่าอยากจะทำร้ายโลกทั้งโลกเนี่ยเพราะมันไม่สนใจกูมันไม่แคร์กูเนี่ยแต่เพราะแ้วความสนใจแล้วความหวงุดหงิเพียงแค่คนเดียวนี่ความสึกเปลี่ยนไปเลยนะความคิดชั่วร้ายมันดับบูไปเลยแลนน้วต่อหลังเขากลายเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักพูดที่คอยให้กําลังใจกับผู้คน แล้วก็มีครอบครัวมีลรคนะเหมือนคนปกตินะอันนี้ก็เรียกว่าจากคนที่จะกลายเป็นฆาตกรนะกราดยิงนักเรียนนะกลายเป็นพลเมืองดีขึ้นมาเพียงเพราะามีคนคนหนึ่งใส่ใจแคร์เขาเน้นจะว่าไปแล้วเนี่ยคำว่าคนที่บอกว่า no สน no แคร์เนี่ยนะที่จริงเน่ยเขาแคร์เขาสนมากเลยอย่างนุ่มคนเนี้ย ชื่อแอลันสตาร์กเนี่ยตอนหลังแกก็บอกว่าเนี่ยคนที่ the, sheriff, คนที่สมควรจะได้รับความรักน้อยที่สุดคนที่สมควรจะได้รับความสูงห่วงใยห่วงใยมากที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่ต้องการความรักมากที่สุดและต้องการความห่วงใยมากที่สุดนั้นควรจะให้ความห่วงใยให้ความรักแก่คนเหล่านี้แม้ว่าเขาจะคู่ควรหรือสมควรจะได้รับความรักน้อยที่สุดเพราะว่าเก่งเมื่อไรเกเลยแต่เขาคือคนที่ต้องการมากที่สุดและถ้าเขาได้มานนี่เนี่ย เขาจะสามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะฉนั้นเวลาเจอคนที่เรียกว่าโนสนโนแครนี่ให้รู้เลยว่าไหนพวกนี้แหละต้องการความรักต้องการความใส่ใจมากแล้วเราช่วยเขาได้นะด้วยการนะให้ความห่วงใ ย, ยกับเขา